เอาน่ายอย่าซสีเรียกเรื่องอวยพรขอให้ตายพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นพระที่มีชื่อเสียงมาก ลูกศิษย์ลูกหาก็เต็มบ้านเต็มเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ในขณะนั้นก็มักนิมนต์ท่านมาในพิธีสำคัญต่างๆเรษธีผู้หนึ่งมีความกังวลในทรัพย์สมบัติของตนกลัวว่าตายไปแล้วลูกหลานจะไม่สามารถรักษาไว้ได้ดีดังตนพอซื้อบ้านใหม่ศพโอกาสจึงนิมนต์ท่านพระอาจารย์ผู้นั้นมาทำพิธีให้พอพิธีจะสิ้นสุด เศรษฐีก็ขอให้ท่านอาจารย์ช่วยเขียนข้อความอันเป็นสิริมงคลให้ตระกูลพระท่านจึงหยิบผู้กันมาเขียนเขียนไม่นานก็ยื่นคืนให้แก่เศรษฐีเศรษฐีคลี่กระดาษออกมาดูด้วยความตื่นเต้นแต่ไม่เห็นข้อความข้างในก็ถึงกับหน้าเจียนข้อความมีอยู่ว่าตายตายตา ย, ตาย ปู่ตายพ่อตายลูกตายเศรษฐีถึงกับหน้าซีดบรรดาผู้ร่วมงานก็หน้าซีดเหมือนกันหมดด้วยความสงสัยจึงถามไปว่าเหตุใดพระผู้ใหญ่อย่างท่านจึงกระทำล้อนเล่นอย่างนี้พระท่านจึงเฉลยไปว่าดูก่อนประโตค อันทรัพย์สมบัตินั้นมันเป็นของไกลตัวความตายไม่ใช่หรือที่ท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงแต่จะดีกว่าไหมถ้าปู่ตายก่อนพ่อจึงตายตามแล้วลูกตายทีหลังเป็นไปตามนี่ไม่ใช่หรือไม่มีทุกได้หนักหนากว่าบุรจะต้องมาลาจากก่อนญาติผู้ใหญ่อีกแล้ว